พระอนุบัญญัติ238อันนึ่งภิกษุใดฉันแล้วบอกห้ามพัฒหารแล้วเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันที่ไม่เป็นเดน่นต้องอบัตปาจิตตีเรื่องพัฒหารที่เป็นเดน่นจบ